เรื่องที่31กรรมจำแนกสัตว์คนเราแม้จะเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่หลายอย่างเป็นต้นว่าเขาหน้าท่าทางความคิดอ่านและสติปัญญาตลอดฐานนะยศศักด์สมบัติเงินทองต่างคนต่างมีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันอันนี้เป็นความจริงของโลก ที่เรารู้เห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายความแตกต่างของสิ่งต่างๆในโลกแล้วก็มีใครก็ไม่ทราบโฆษณาว่าเมื่อพระศรีอริยเมตไตรามาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรๆจะเหมือนกันเป็นพิมพ์เดียวคนทุกคน หน้าตาผิวพรรณก็จะเหมือนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองลงกระไดบ้านแล้วก็จากันไม่ได้แผ่นดินก็จะราบเหมือนหน้ากลองดังนี้เป็นต้นเล่นเอาคนแก่คนเฒ่าเคลิบมเคลิมนึกคิดอยากไปเกิดเป็นคนในศาสนาพระศรีอานบ้างฟังดูก็แปลกประหลาดเหมือนกันเป็นความฝันแกมตลกของคนตื่นซึ่งความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ และถ้าสมมติว่ามันจะเกิดเป็นไปอย่างนั้นจริงๆคนทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดผัวใครเมียใครจำกันไม่ได้แล้วมันจะดีอย่างไรมันมียุ่งนุงกันไปหมดหรือขนาดจำหน้ากันได้อยู่ชัดๆอย่างทุกวันนี้มันยังยุ่งเหยิงฆ่ากันตายออกบ่อยๆทำไมถึงได้ชอบจะให้มันยุ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้ที่จริงก็คงจะเบื่อยุ่งนั่นเอง แต่แล้วก็ไปรักที่มันจะยุ่งหนักเข้าไปอีกว่าตามที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะต้องแตกต่างกันดีบ้างชั่วบ้างเล็กบ้างโตบ้างสูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันตลอดจนยากดีมีจนของคนเราก็ผิดแผกแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นการที่คนเรามีอันเป็นอย่างนี้ ทำให้มีคนคิดเห็นเป็นไปต่างๆคือตั้งปัญหาขึ้นว่าทำไมคนเราจึงยากดีมีจนไม่เท่ากันเสร็จแล้วบรรดา น, นักคิดตั้งหลายก็ตอบไปคนละทางสองทางบ้างก็ว่าพระเป็นเจ้าแซงสร้างารร์ให้มีอันเป็นมาอย่างนี้เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระองค์ผู้สร้่งแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้ บ้างก็เหมาเอาว่าโชคชะตาดาวเดือนบังคับให้ต้องมีอันเป็นบ้างก็นึกคิดประมาณลงโทษมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นเพราะผู้มีอำนาจอิทธิพลกระทำการเอารัดเอาเปรียบคือไม่ให้ความยุติธรรมแก่สังคมอย่างเพียงพอแล้วก็คุยอวดอ้างละที่ของตนว่าสามารถทำให้คนทั่วบ้านทั่วเมืองเสมอเหมือนกันได้หมดแต่ไม่ว่าใครจะอวดอ้างอย่างไรก็ตาม คนเราก็คงมีฐานะสูงต่ำลดหลั่นกันจนแล้วจนรอดพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าเรื่องนี้มามากเหมือนกันค้นจนกระทั่งพบความจริงอันเป็นสัจธรรมไม่มีทางจะขัดแย้งเป็นอย่างอื่นไปได้อีกปัญหาที่ว่าเหตุใดคนเราจึงแตกต่างกันพระพุทธองค์ได้ทรงพบคําตอบแน่นอนแล้วตรัสเป็นคําขาดว่า กรมังสัตเตวิพัชตินี้คือคำตอบสั้นๆแต่ข้อความกระจ่างและเด็ดขาดปราศ จ, จากความเคลือบแคลงใดๆกรมังสัตเตวิพัชติแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ที่ว่าสัตว์ในสุภาษิตบทนี้หมายถึงสัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนเทวดาหรือเดรัจฉาน ตามที่ข้าพเจ้าเคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งคือคำว่าสัตว์หรือสัตวะในจำนวนทางศาสนาหมายถึงสังขารมีใจครองทุกอย่างในโลกวัวควายช้างมา้าหมูหมาเป็ดไก่ตลอดจนคนเราด้วยอยู่ในฐานะเป็นสัตว์โลกด้วยกันเพราะยังมีใจเกาะเกี่ยวอยู่ในโลกหรือยังคล้องโลกคำว่าสัตวะก็แปลว่า ผู้คล้องโดยตรงแต่แทนที่จะไปคล้องอย่างอื่นกลับคล้องโลกก็เลยเรียกว่าสัตว์โลกเท่านั้นเองแต่คนไทยเราไปเหมาเอาว่าคาว่าสัตว์เป็นคำต่าหมายถึงเฉพาะพวกนั้นเขาบางคนเอาไปเป็นคำด่าว่าคนอื่นว่าเขาเป็นสัตว์แท้จริงตัวคนด่าเองก็เป็นเหมือนกันจะไปไหนพ้น นี่พูดให้ฟังเฉพาะความหมายของคำ ว, ว่าสัตว์ในพุทธภาษิตที่ยกมาจะได้เข้าใจเจตนารมณ์ของสุภาษิตดีขึ้นสะดวกในการที่จะใช้คำสุภาษิตข้อนี้ต่อไปแต่นี่ก็ให้รู้ไว้เท่านั้นไม่ใช่เสี้ยมสอนให้เอาไปใช้ว่าคนอื่นเพราะคำที่คนหมู่มากเขาถือแล้วเราก็ต้องถือไปกับเขาคืนเอาไปเรียกใครสม 4, สี่สมหว่าเขาเป็นสัตว์ จะเจ็บตัวเสียเปล่าๆพระเดียวจะว่าไม่บอกเมื่อทําความเข้าใจคำว่าสัตว์แล้วเราก็มีปัญหาที่จะต้องวิจารณ์อยู่อีกเพียงสองข้อคือ 1. ความหมายคำว่ากรรม 2. ที่ว่ากรรมจาแนกสัตว์นั้นจาแนกอะไรแต่ละข้อล้วนแต่มีเหตุผลสลับซับซ้อนจะต้องชักมาหลายกระแสกว่าจะเข้าใจกันจริงๆ จนถึงกับปรงใจเชื่อกรรมอย่างสนิทคือเรื่องกรรมเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคนที่ปรงใจในทางปฏิบัติจริงๆจะต้องมีความเข้าใจแจ่มแจ้งพอสมควรไม่เช่นนั้นก็สักแต่ว่าทําสักแต่ว่าเชื่อเขาว่าดีก็ดีด้วยเขา ว, ว่าชั่วก็ชั่วกับเขากลายเป็นคนไม่มีหลักประเด็นแรกคือความหมายของคำว่ากำรกร ม, รรมคืออะไร สำหรับชาวพุทธเห็นจะเข้าใจกันเป็นส่วนมากเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อกรรมต่างจากศาสนาอื่นๆ อ, อ, อ, อีกหลายศาสนาแต่ว่าหลักวิชาวความรู้และกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็จำเป็นจะต้องศึกษาเรายกให้มีคนตรัสรู้เองคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงค้นคว้าพบสิ่งเหล่านี้ก่อนใครส่วนพวกเราชั้นลูกศิษย์ ต้องเรียนตามที่ท่านสอนจะถือว่าเกิดมาแล้วกินข้าวหายใจอยู่นานๆก็จะรู้ข้อทำคำสอนของท่านเองไม่ได้ในเรื่องคำว่ากรรมนี้ก็เหมือนกันถูกแล้วมันเป็นคำที่ชาวพุทธใช้กันติดปากเป็นใครได้รับเคราะห์เช่นเจ็บป่วยล้มตายเราก็ว่ากันว่ามันเป็นกรรมของเขา คนที่ทอดอะไรตายอยากในชีวิตมักจะบอกกับตัวเองว่าปล่อยตามยถากรรมแต่เท่าที่สังเกตดูคนเป็นอันมากมักจะเข้าใจคำว่ากรรมหมายถึงความผิดหรือความทุกข์ทรมานอันเป็นการกระทำข้างฝ่ายบาปหยาบช้าเท่านั้นถ้าข้างฝ่ายดีเรามักใช้คำว่าบุญเห็นใครได้เป็นใหญ่เป็นโต เราก็มักจะคิดว่าเป็นบุญของเขาแทนที่จะคิดว่าเป็นกรรมซึ่งที่ถูกแล้วก็กรรมด้วยกันต่างแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นแต่ก็อีกแหละคนไทยเราภาษามันเหลือเฟือที่เกลียดตัวกินไข่ก็มีแยะบาปก็ว่าไม่อยากจะเป็นคนมีกรรมแต่บางทีก็ชอบรับกรรมเสียด้วยอย่างเช่นคนที่อยากเป็นกรรมการต่าง ที่จริงกรรมการก็แปลว่าคนมีกรรมนั่นเองแต่ก็เห็นอยากเป็นกันนะักเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนถ้าฟังครึ่งๆกลางๆมักจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเวลาฟังให้จาเอาไว้เท่าที่ได้ฟังซิก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะมันอาจเข้าใจผิดได้เรื่องพันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องปรุงเหมือนกับอาหารบางอย่างผู้รับประธานต้องปรุงสก่อน เช่นอย่างขนมจีนต้องตักขนมจีนมารอไว้ที่จานเสียก่อนแล้วจึงหยิบถั่วงอกใบแมงลักมาเคียงข้างไว้เสร็จแล้วมาตักน้ำยาราดพร้อมแล้วจึงตักเข้าปากมันจึงได้รส ถ, ถ้าหยิบมาเคี้ยวทีละอย่างละอย่างกลืนไล่ลงกันไปเลยก็หมดท่าฟังบรรยายเรื่องกา ร, รก็เหมือนกินขนมจีนนั่นเอง คำพูดที่ข้าพเจ้าให้มาต้องเก็บรอไว้เสียก่อนพอข้าพเจ้าบอกว่าหมดเครื่องปรุงแล้วค่อยเคี้ยวกลืนเข้าในใจจึงจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องคำว่ากรรมมูลศัพทแท้ๆคือกรรแปลว่าการทำหมายถึงกิริยาที่ทำต้องแยกให้ดีประเดี๋ยวจะไปเอาความเข้าใจทางวิากรณมาใส่เข้าคือการทา ที่เราทำทำอะไรกันอยู่นี่มันประกอบด้วยสามส่วนคือผู้ทำการทำสิ่งที่ทำอย่างเช่นที่เราเขียนจดหมายตัวเราเป็นผู้ทำการจับปากกาเขียนไปเขียนไปนั่นการทำส่วนตัวหนังสือที่ติดอยู่บนแผ่นกระดาษนั้นเป็นสิ่งที่ทำหรือการพูดอย่างที่ข้าพเจ้าพูดอยู่เดี๋ยวนี้ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทา ที่อ้าปากตะเบงเสียงออกเป็นคำๆนี่เป็นการทำส่วนเสียงที่ดังออกมาถึงท่านผู้ฟังนี่เป็นสิ่งที่ทำในสามอย่างนี้การกระทำเท่านั้นที่เรียกว่ากรรมจดหมายที่เขียนก็ไม่ใช่กรรมตัวคนเขียนก็ไม่ใช่กรรมเมื่อก ร, รมหมายถึงการกระทำเราจึงไม่อาจนับจำนวนได้ว่ากรรมของคนคนหนึ่งมีเท่าไหร่ กว่าจะตายทำกรรมกี่ครั้งกำหนดไม่ได้นอกจากนี้แล้วการทำกรรมคนเราอาจทำได้ถึงสามทางคือทางร่างกายทำทางวาจาพูดและทางใจคิดยกตัวอย่างกรรมที่ทำทางกายเช่นเขียนหนังสือขุดดินฟันไม้พนมมือไหว้พระหัดพระหัดแถววิ่ง เดินและอื่นๆกรรมที่ทำทางวาจาเช่นคุยกันพูดทุระกับคนอื่นร้องเพลงด่ากันเถียงกันโกหกกันสั่งสอนกันและอื่นๆกรรมทําทางใจเช่นคิดถึงกันคิดการงานโมโหโทโสขม่มใจตัวเองฝึกใจให้กล้าหาญอบรมใจให้ดีขึ้น และอื่นๆตามตัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้แล้วว่ากรรมคือการกระทำอะไรๆการพูดอะไรๆและการคิดอะไรๆนั่นเองประเดี๋ยวโปรโดรอเครื่องปรุงสิก่อนที่ว่ากรรมคือการกระทำนั้นยังไม่รัดกลุ่มแท้การกระทำของคนเรามีสองสถานคือทำด้วยความตั้งใจจะทำก็มีอย่างเช่น คนที่เอาปืนไปดักยิงคนตายทำโดยไม่ตั้งใจทำก็มีอย่างเช่นคนที่เก็บปืนไม่เรียบร้อยแล้วปืนลั่นไปถูกคนอื่นตายทางศาสนาท่านสอนไว้ว่ากรรมที่จะเป็นบุญเป็นบาปติดตัวไปเฉพาะการทำที่มีเจตนาประกอบเท่านั้นหมายความว่าตั้งใจทำตีก็ต้องตั้งใจชั่วก็ต้องตั้งใจจึงจัดว่าเป็นกรรม ส่วนการรับผลของการกระทำปัจจุบันนี้คือในขณะที่เราครองร่างกายอันนี้อยู่ผลที่จะบังเกิดแก่ร่างกายย่อมมีได้เสมอตั้งใจทำก็มีผลได้ไม่ตั้งใจทำก็มีผลได้อย่างเช่นคนไข้ที่สลบแล้วมีผู้เอายาให้รับประทานหรือฉีดยาให้ก็คงได้รับผลจากยานั้น ทั้งทั้งที่ไม่มีเจตนาหากเราเดินไปเท้าเปล่าๆไปเหยียบไฟเข้าเราก็จะต้องร้อนทั้งทั้งที่ทไม่ตั้งใจจะเหยียบไฟแต่ผลของการกระทำโดยไม่มีเจตนาตามตัวอย่างนี้เกิดแก่ร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้เท่านั้นไม่เป็นบุญเป็นบาปติดตามไปชาติหน้าชั่วหน้าเพราะการกระทำดังกล่าว ไม่ได้เปลี่ยนสภาพของจิตใจที่ไม่เปลี่ยนก็เพราะใจไม่ได้คิดจะทำอยากจะเปรียบให้ฟังชัดๆสมมติว่าคนคนหนึ่งสละเพศคราวาสบวชเป็นพระขอให้นึกถึงรอยดำที่ตัวเขาเมื่อก่อนบวชถ้าสมมติว่ารอยดำติดอยู่ที่เสื้อกางเกงของเขาเมื่อครั้งนอนพอเขาเป็นพระ เขาถอดเสื้อกางเกงชุดนั้นทิ้งเสียแล้วมาครองสบงจีวรแทนพูดอีกทีที่เขามาเป็นพระมาแต่ตัวเสื้อกางเกงไม่ได้มาด้วยเพราะฉะนั้นรอยดำที่เสื้อกางเกงก็ไม่ติดมาแต่ถ้าใครสักลายในเนื้อตัวจริงๆตั้งแต่ก่อนบวชถึงบวชเป็นพระแล้วรอยดำนั้นก็ติดมาด้วย การกระทำของเราก็เหมือนกันหากสักแต่ว่าร่างกายทำไปใจไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็เกิดผลแค่ร่างกายนี้หมดร่างกายนี้แล้วก็หมดกันแต่ถ้าการกระทำใดใจมีส่วนรู้เห็นสมรู้ร่วมคิดด้วยกรรมนั้นจะจารึกลงที่ใจใจไปถึงไหนกรรมก็ไปถึงนั่นจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของกรรม เหมือนที่รอยสักติดตัวที่ยกมาเปรียบเทียบแล้วไม่ว่าคนจะขึ้นเขาลงห้วยรอยสักก็ไปด้วยจนกว่ามันจะลบไปในทางศาสนาเมื่อพูดถึงกรรมหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเจตนาหัง่งพิกเวกัมมังวดามิภิกษุทั้งหลาย เราเรียกเจตนาต่างหากว่ากรรมส่วนการกระทาของร่างกายโดยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรมแต่เรียกว่ากิริยาเฉยๆปัญหาสำคัญที่เราจะต้องขบต่อไปคือเรื่องผลหรืองานของกรรมอย่างที่บางคนเคยตั้งปัญหาทำนองโจมตีศาสนาพุทธว่ากรรมมันมีฤทธิ์เดชอย่างไร จึงจะมาจำแนกคนเรื่องการให้ผลของกรรมนี้จะต้องตัดออกศึกษาเป็นสองตอนจึงจะเข้าใจง่ายคือดูการให้ผลของกรรมในชีวิตนี้เสียตอนหนึ่งก่อนแล้วค่อยดูการให้ผลในชีวิตก่อนและหลังชีวิตนี้อีกทีคือการเวลาของชีวิตมีอยู่3การอดีตปัจจุบันอนาคต วิธีศึกษาเรื่องกรรมต้องจับปัจจุบันก่อนส่วนอดีตกับอนาคตเอาไวท้ทีหลังเพราะเป็นของเห็นยากกว่าตกลงเอาปัจจุบันก่อนหากจะมีผู้ตั้งคำถามว่าคนคนนั้นทำไมจึงได้เป็นนายทหารคนคนนั้นทำไมติดคุกพระองค์นั้นทำไมจึงได้เป็นเจ้าคุณคนนั้นทำไมไม่ได้เลื่อนเงินเดือนคนนั้นทำไมจึงถูกไล่ออก คนนี้พอเข้าทํางานก็ได้เป็นชั้นตรีแต่คนนี้ทําไมได้เพียงชั้นจัตาวาตั้งคําถามอย่างนี้แล้วหาคําตอบดูวิธีหาก็ต้องถือหลักถูกกับถึงเข้าไว้คือไล่ไปให้ถึงคนถูกไล่ออกจากงานก็ไม่ใช่ดูแค่ว่าใครลงชื่อในคําสั่งใครสอบสวนแล้วก็ปักใจว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้าย ทำให้ตอนหลออจากงานอย่างนี้ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกครั้งเห็นคนได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนก็ไม่ใช่ดูแต่ว่าใครสั่งให้เลื่อนแล้วก็ไปเหมาเอาว่าท่านผู้ใหญ่อักติให้คนนี้ไม่ให้คนนั้นอย่างนี้ผิดหลักหากสาวไปให้ถูกให้ถึงแล้วจะพบว่าคนที่ถูกจําคุก ก็เพราะได้ทำอะไรอย่างหนึ่งอาจเคยฆ่าเคยลักเคยปล้นมาเมื่อวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนถ้าแน่ใจแล้วว่าสาวไปจนสุดแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำผิดกฎหมายเลยแต่ต้องถูกใส่ความจาคุกอย่างนี้ต้องไล่ตามไปอีกสายหนึ่งคือเรื่องการใส่ความใครเป็นผู้ใส่ความและเหตุใดคนนั้นจึงใส่ความเรา เคยด่าเขาไหมเคยทำอะไรให้เขาร้อนใจไหมถ้าไม่เคยทำแต่ตัวเขาได้เคยทำแก่ลูกเขาไหมทำแก่พ่อแม่ลูกเมียเขาไหมถ้าไล่เลียงไปด้วยใจอันยุติธรรมเราจะพบว่ามีการกระทำอย่างหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอยู่การกระทำนั้นบางทีก็ไม่ตรงกับข้อกล่าวหาในโรงสารบางทีเคยคว้างหมาบ้านอื่นทีเดียว ทำให้เจ้าของหมาขัดใจไว้จนเราเองก็ลืมแล้วภายหลังลูกเจ้าของหมาหรือหลานเจ้าของหมาหรืออาจเป็นเพื่อนของลูกหลานเจ้าของหมาเสร็จด้วยซ้ำใส่ความฟ้องร้องในโรงสารฐานลักทรัพย์เราก็เลยต้องติดตารางฐานลักทรัพย์ความจริงแล้วตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ยังไม่เคยลักทรัพย์ของใครเลย นี่ชี้เห็นว่าตัวกรรมจริงๆนั้นเวลาให้ผลอาจไม่แสดงตัวให้เรารู้ตามหลักฐานก็ว่าเราถูกจำคุกฐานลักทรัพย์ซึ่งความจริงแล้วทรัพย์ไม่ได้ลักแต่การจำคุกนั้นเป็นผลกรรมคือการตีหมาบ้านอื่นต่างหากข้าพเจ้าได้สอบถามดูผู้ต้องขังมากเช่นผู้ที่ถูกควบคุมอยู่ที่ลาดยาวเป็นต้น หลายคนระลึกกรรมของตัวเองไม่ได้พอถามว่าไปทำอะไรมาจึงถูกจับเขาก็บอกว่าเปล่าผมกำลังนอนหลับๆอยู่มีตำรวจมาปลุกขึ้นจับเอาเฉยๆต้องไล่เลียงย้อนหลังไปนานจึงจะไปถึงต้นกรรมที่แท้จริงเรื่องคนต้องโทษนี่ทุกวันนี้ความเห็นของคนทั้งหลายก็ตรงกับทางศาสนาที่ว่า ในชาตินี้เขาอาจไม่ได้ทํากรรมตามที่ถูกกล่าวหานั้นก็ได้แต่ต้องพ่ายแพ้ในเชิงคดีแต่ทางศาสนายังเผยข้อเท็จจริงต่อไปว่าผลทุกอย่างที่แสดงออกมานั้นจะต้องมีเหตุอยู่เบื้องหลังด้วยเสมอต่างแต่ว่าจะสาวไปถูกไหมและถึงไหมเท่านั้นถ้าดูในรูปร่างและเรื่องผลกับเหตุอาจไม่เหมือนกันเสมอไป ถ้าเราหยอดเมล็ดข้าวลงในดินเราได้เมล็ดข้าวมาใหม่รูปและขนาดเมล็ดข้าวใหม่กับเมล็ดข้าวเก่าก็เหมือนกันอย่างนี้ก็แล้วไปแต่ถ้าเราหยอดเมล็ดฟักเขียวลงในดินเวลาได้ลูกฟักเขียวขึ้นมาทั้งรูปสีและขนาดของมันก็ผิดกับเมล็ดฟักเขียวของเดิมไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องเหตุกับผลต้องดูด้วยปัญญา มีใช่เพียงดูด้วยสายตาเท่านั้นและต้องดูด้วยความจริงมีใช่เอาอาคติเข้าไปแทรกเราเห็นว่าคนบางคนที่ได้ดีก็ไม่เห็นแก่ทาความดีอะไรเลยนั่นอาจเป็นว่าเรามีอคติอยู่ในใจก็ได้คือมองคนแต่ในแง่ร้ายแง่ดีไม่ได้มองรวมความว่าความเป็นไปของคนเราทั้งสุขทั้งทุกข์ เป็นผลกรรมทั้งสิ้นจะต่างกันแต่ว่ากรรมที่เป็นตัวเหตุนั้นจะอยู่ในระยะใกล้หรือระยะไกลและจะให้ผลออกมาทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้นวิธีสาวหาเหตุนั้นให้ถือหลักสองประการจึงจะไม่พลาดคือสาวให้ถูกและสาวให้ถึงถ้าถูกด้วยถึงด้วยรับรองว่าเจอกำแน่หากเราสาวหาเหตุให้ถูกวิธี และให้ถึงที่หมายแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําของเขาเองทั้งสิน้นในผลกิ่งเพชรที่ได้เป็นแชมเปี้ยนโลกคราวนี้เพราะอะไรเพราะผลเองได้ฝึกซ้อมมาก่อนแล้วใช่ไหมการฝึกซ้อมนั่นแหละคือ ร, รมของเขาเห็นใครร้องเพลงไพเราะมีชื่อเสียงถ้าสาวกลับไปก็จะพบกรรมของเขาคือการหัดร้องเพลง เห็นใครได้เลื่อนยศศักดิ์ถ้าสาวกลับไปก็จะเจอว่าเขาทำความดีความชอบเอาไว้แต่วันก่อนการทำความดีความชอบนั่นแหละกรรมของเขาเมื่อวานนี้ที่งามประศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรญาณวงศ์มีผู้คนหลั่งไหลไปถวายพระเพลิงมืดฟ้ามัวดินถ้าสาวกลับไปก็จะเจอว่า พระองค์ทรงอุปการะแก่ศาสนาและประชาชนไว้อย่างมากมายนั่นแหละกรรมของพระองค์ตกลงว่าผลทุกอย่างที่เรามองเห็นและที่เราเป็นกันอยู่ทั่วไปหากสาวหาเหตุให้ถูกและให้ถึงแล้วเป็นต้องเจอกรรมเป็นต้นต่ออยู่แน่ๆเท่าที่พูดมานี้เฉพาะกรรมที่พอจะสาวไปถึงได้ง่ายๆทีนี้เรายังพบปัญหาอีกอย่างว่า ผลบางอย่างทั้งทๆ ท, ที่สาวกลับไปแล้วสาวไปจนกระทั่งเกิดก็ไม่เจอกรรมเลยจะทําอย่างไรวิธีทำถ้าสาวไปจนถึงเกิดแล้วมันยังไม่เจอก็ต้องสาวให้มันเลยเกิดไปอีกที่ว่าสาวให้เลยเกิดก็หมายความว่าสาวไปถึงตั้งแต่ก่อนตายนั่นเองบางทีไม่เจอในชาตินี้แต่มันไปเจอเอาชาติก่อนก็มี และมีมากเสียด้วยเพราะชาติก่อนกับชาตินี้จิตของเรายังสืบต่อกันได้พูดง่ายๆก็คือใจดวงเก่านั่นเองร่างกายเท่านั้นที่เรามาห า, าใหม่ทีนี้กรรมที่คนเราทําแล้วมันสั่งสมอยู่ที่ใจถึงร่างกายตายแต่ใจอยู่กรรมซึ่งอยู่ที่ใจก็ให้ผลได้ตามเดิมอย่างที่เปรียบให้ฟังในตอนก่อน คือเปรียบเหมือนตัวเรากับเสื้อผ้าเราเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าเท่านั้นส่วนตัวเราก็ตัวเดิมสิ่งใดที่อยู่ในตัวสิ่งนั้นก็ติดตัวมาได้เช่นคนที่เป็นทหารแต่เรียนหนังสือไว้เมื่อครั้งเป็นพลระเลือนแม้เป็นทหารแล้วความรู้หนังสือก็ยังตามไปให้ผลแก่เขาได้อยู่ความรู้จากเขียนหนังสือ ซึ่งทำไว้ได้แต่ครั้งก่อนเป็นทหารบัด น, นี้เป็นทหารแล้วความรู้เดิมนั้นก็มาช่วยเราเซ็นเชื่อรับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนได้อยู่เหมือนกันถึงแม้เราปลดทหารไปแล้วความรู้ที่ว่านี้ก็ยังติดตามไปให้ผลแก่เราอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอชี้ช่องให้คิดคือเอาร่างกายเปรียบเหมือนเสื้อผ้าเพราะผลัดเปลี่ยนได้ ตัวเก่าขาดแล้วก็ทิ้งหาตัวใหม่มาสวมใส่แทนส่วนจิตเปรียบกับตัวคนเพราะแม้จะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกี่ชุดกี่ชุดก็ตัวเดิมนี่เองใส่เครื่องแบบนักเรียนก็ตัวนี้ใส่เครื่องแบบทหารก็ตัวนี้ใส่เครื่องแบบคนต้องโทษก็ตัวนี้แม้จะไปครองสมบงจีวร อ, อยู่วัดก็ตัวเก่านี่เอง ถ้าหากคิดงุนงงว่าระหว่างตัวกับใจชาติใหม่ชาติเก่าและกรรมใหม่ก ร, รมเก่าก็ให้นึกถึงร่างกายของเรากับเสื้อผ้าดังกล่าวนี้บางทีจะเห็นความชัดเจนขึ้นสรุปการพิจารณาความเป็นไปของคนเราไม่ว่าจะมองจากทางด้านใดก็ตามเราจะเห็นได้ว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำว่าทมคำเดียวเท่านั้น รวยก็เพราะธทรรมจนก็เพราะทรรมฉลาดก็เพราะทรรมโง่ก็เพราะทรรมส ก, กปรกก็เพราะธทรรมสะอาดก็เพราะทำรรคำว่ารมคำเดียวมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงฐานะของสัตว์โลกทุกชนิดทมนี่แหละคือเทพเจ้าผู้บันดาลใครอยากได้อะไรก็ขอเอากับเทพเจ้าองค์นี้แหละ และเทพเจ้าองค์นี้แหละที่ว่าเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้มีอันเป็นไปต่างๆแยกเอาคนดีๆไปเป็นขโมยก็ได้แยกเอาคนสามัญไปเป็นเจ้าคนนายคนก็ได้แยกเอาคราวาาไปเป็นพระก็ได้ใครซสอีกเล่าที่ทำให้มีขัน้นมีฐานะมีประเภทไม่ใช่เทพเจ้าคือธรรมดอกหรือ ก็ทำนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสตามภาษาสมัยนั้นว่ากรรมเพราะฉะนั้นที่ว่ากรรมจำแนกสัตว์จึงไม่มีปัญหาเราจะต้องถูกกรรมของเราจำแนกแน่นอนแต่ทั้งนี้ก็ไม่เป็นการสิ้นหวังสำหรับชาวพุทธเพราะเทพเจ้าองค์ที่มีอิทธิพลเหนือโลกที่ว่านี้เราเป็นผู้สร้างท่านขึ้นเองหมายความว่ากรรมนั้นเราเป็นผู้ทา ของใครของใครทําใครให้สร้างเทพเจ้าชนิดร้ายๆไว้ประจําตัวคือสร้างกรรมบาปไว้เทพเจ้าร้ายๆก็จะจิกหัวลงโทษเราทุกคืนทุกวันประเดี๋ยวเอาเราเข้าคุกเข้าตารางประเดี๋ยวเอาเราแตกแยกจากมิสหายประเดี๋ยวเอาเราเดือดร้อนเงินทองไม่ชนหัวเดือนปลายเดือน ใครจะให้ความชอบก็ให้ไม่ลงใครจะขึ้นเงินเดือนให้ก็ขึ้นไม่ไหวเพราะเราสร้างเทาพเจ้าผนันไว้กันท่าตัวเราเองแต่ถ้าเราสร้างกรรมดีคือทำดีไว้มากๆก็เหมือนเรามีเทพเจ้าผู้บันดาลไว้ประจำชีวิตไม่เปลืองเหล้าเปลืองยาไม่เปลืองเครื่องเส้นสังเวยนทำความดีไว้มากๆแล้วอธิษฐานเอาก็แล้วกัน อยากได้อะไรถ้าแม้กรรมเก่ามาลงโทษเราแต่เราทําความดีไว้มากๆคนทั้งหลายเขาก็สงสารเห็นอกเห็นใจคนทําดีทุกคนคิดรู้ไ ว, เว้เถอะว่าคนดีๆอย่างเรานี่เขารักเราแน่ถึงปากเขาไม่พูดแต่ใจเขาก็รักวันหนึ่งเขาจะต้องช่วยเหลือเราได้ทําดีไว้เถอะไม่เสียหลาย เมื่อเราทราบแล้วว่าชีวิตของเราตกอยู่ใต้ อ, อิทธิพลของกรรมและกรรมจะดีหรือร้ายเราก็เป็นสิ่งที่ตกอยู่ใต้ อ, อิทธิพลของเราผู้สร้างกรรมโดยในนี้ผู้สร้างโลกสำหรับเราที่แท้จริงก็คือตัวเรานี่เองเพียงทอดระยะนิดเดียวว่าเราสร้างกรรมแล้วกรรมสร้างเราเท่านั้นเอง26เมษายนสอง3 Thank mm -hmm. you.